بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن خطاب الإسلامية بالدمام تواصل معت أخي الكريم المصحف الشريف ل ل أ خ سعد الغامض الشريط الحادي عشر ويحتوي على س و ر الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت ننبود أ ش و ا ر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 โดยแนะนํามากล่าวไว้หลายต่อในเรื่องนี้และได้จบลงด้วยการกล่าวถึงบทเรียนและข้อเตือนสติถึงความแตกต่างอย่างมากมายระหว่างการศรัทธาและการกดขี่กลมเข็งหลังจากนั้นได้กล่าวถึงเรื่องของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลัและท่าทีของเขาที่มีต่อชนชาติและบิดาของเขาในการเคารพสการะรูปปั้นและจเวิตท่านได้แสดงออกซึ่งหลักฐานนั้นชัดเจน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 หลังจากที่ได้กล่าวถึงเรื่องต่างๆของบรรดาเนบะีเช่นนัวพุธโซเลตลูตและสวายและการกระทำของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่มีต่อบรรดาศ า, ศาสนาทูตแล้วบทนี้ได้หวนกลับมากล่าวถึงเรื่องของคัมภีร์อันมีเกียรติเป็นการให้ความสำคัญของคัมภีร์และกล่าวถึงที่มาของคมภีรว่าและแท้จริงมันเป็นการประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลก แล้วบทนี้ได้จบลงด้วยการโต้อ ต, อตอบการกล่าวเท็จของพวกบูชาชเจวิตในการกล่าวอ้างที่ว่าอัลกุรอานนั้นชัยตอนมานรร้ายเป็นผู้นำลงมาเพื่อให้ตอนเริ่มกับตอนจบสอดคล้องกันอย่างสวยงามที่สุดด้วยพระนามของ a าผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ เรื่องนี้คือองค์การทั้งหลายของคำเพียนชัดแจ้งบางทีเจ้ามูฮัมหมัดอาจเป็นผู้ทำลายชีวิตของเจ้า เพราะพวกเขาไม่ศรัทธาหากเราประสงค์เราจะให้มีสัญญาณหนึ่งจากฟ้าฟ้าลงมาอย่างพวกเขาแล้ว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 ى, ين, และจงรำลึกถึงเมื่อพระอภิบาลของเจ้าทรงเรียกมูซาว่าจงไปยังกลุ่มชนผู้อาถรรพ์คือกลุ่มชนของฟิรอูนพวกเขาไม่ยำเกรงบอกหรือละอับบิอินมิอัชชัฟอิยุคดิม เขามูซากล่าวว่าโอ้พระผู้อุิบาลของฉันแท้จริงฉันกลัวว่าพวกเขาจับตดเสธไม่ยอมเชื่อฟังฉันดาีียอแล้วอกของฉันจะอึดอัดและลิ้นของฉันจะไม่คล่องดังนั้นพระองค์ทรงโปรดสรงฮารุนมาช่วยฉันด้วยเถิดแล้วพวกเขาก็จะกลูว และพวกเขามีข้อกล่าวหาต่อฉันดังนั้นฉันกลัวว่าพวกเขาจะฆ่าฉันอลัลลาพระองค์ตรัสว่าไม่ดอกเจ้าทั้งสองจงไปเถิดพร้อมด้วยสัญญาณทั้งหลายของเราแท้จริงเราอยู่กับพวกเจ้า เป็นผู้แต่ ا إ นั้นเจ้าทั้งสองจงไปหาฟิรูลแล้วจงกล่าวว่าเราเป็นาศาสนาทูตของพระเจ้าแห่งสางโคลโลกอนอัารีอิสรลแล้วขอให ววงาเขาฟีโรจน์กล่าวว่าเราไม่ได้เลี้ยงดูเจ้าขาะเป็นเด็กอยู่กับเราหรือและเจ้าได้อยู่กับเราหลายปีในช่วงชีวิตของเจ้า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 ต่อฉันโดยท่านทำให้วงวานของอิสรีนเป็นทาตุล่าท่าวแลมารับกาลามีนฟิรนได้กล่าวว่าและใครคือพระผู้อภิบาลแห่งสากลลโ ล, ลกาลรบทสทวัวและทวแะาในกุณตมมินเขามูซากล่าวว่าพระผู้อภิบาลแห่งบรนดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองหากพวกท่านเป็นผู้ศรัทธาเชื่อมั น, มนาาเขาก็ได้กล่าวแก่ผู้ที่อยู่รอบๆเขาว่าพวกเจ้าได้ยินไห ม, ห ม, าามเขามูซากล่าวว่าพระผู้อิบาลของพวกท่านและของบรรพบุรุษสมัยก่อนๆ น, น, นั้นด้วย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 เขามูซากล่าวว่าแม้ว่าฉันจะนำสิ่งหลักฐานที่ชัดแจ้งมาอย่างท่านกระนั้นหรือเขาเฟโรูนกล่าวว่าก็จงนำมันมาสิหากเจ้าเป็นคนพูดจริงัันนเขามูซาได้โยนไม้เท้าของเขาแล้วมันก็เป็นงูจริงๆ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 ถ้าริงคนนี้เป็นนักเล่นกลที่ช่ำชองเขาต้องการที่จะให้พวกเจ้าออกจากดินแดนของพวกเจ้าด้วยวิทยาคนของเขาดังนั้นพวกเจ้าจใจฉันจัด ก, การอย่างไรพวกเขากล่าวว่า จงหนุนเหนียวเขาและพี่ชายของเขาไว้ก่อนแต่จงส่งคนไปตามหัวเมืองให้มาชุมนุมกั น, กนเพื่อที่นักเล่นกลผู้จำหนานทุกคนจะได้มาหาท่านและบรรดานักเล่นกลได้มาชุมนุมกันตามวันเวลาที่กำหนดไ ว, ว้ีมจ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 พวกเขากล่าวแก่ผู้รู้อุลว่าพวกเราจะมีรางวัลแน่หรือหากพวกเราเป็นผู้ชนะออออละนนัมทกกล่าวว่าถูกแล้วและพวกเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้ใกล้ชิดอย่างแน่นอนมูซาได้กล่าวแก่พวกเขาว่า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 พระยาวมูสก็ได้โยนไม้เท้าของเขาทันใดนั้นมันได้กลืนสิ่งที่พวกเขาได้ทำวิทยาครเอาไว้พวกนักเล่นคนจึงก้มลงกราบสู่ผู้รูอเมนับิรับบิลกาลีนรับบิมเสห์ พวกเขากล่าวว่าเราศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกคือพระผู้อภิบาลของมูาและฮะอู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 และจริงเราปรารถนาที่จะให้พระผู้อภิบาลของเราทรงยกโทษให้แก่เราเพราะเราเป็นกลุ่มชนแรกที่ศรัทธาเหและเราได้องค์การให้มูซาออกเดินทางในเวลากลางคืนพร้อมกับพวงบ่าวของข้า แท่จริงเจ้ากําลังถูกติดตามละเอร์สลฟิรหาวนในมดาอินหาชิรีแล้วฟิรอูนได้สงคนไปตามหัวเมืองต่างๆให้มาร่วมจุมนุมอินนหาอุล اء ลชิรริมทุนกลีูแล้วว่าแท้จริงเขาเหล่านั้นเป็นกลุ่มชนส่วนน้อยว่าอินนหุมละนาลก้าอิหูน และถ้าจริงพวกเขาได้ทำให้เราเกิดภูษาและถ้้จริงพวกเราทั้งหมดอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมจากนั้นเราอัลลอฮ์ได้ให้พวกเขาออกจากเรือสวนและลำธาร น, น้ำและทรัพย์สินอันมากมาย และที่พำนักอันโอ้อาคือนั้นแหละเราได้วงวานอิสราเอลได้รับมรดกครอบครองมันและผิรอูนได้ติดตามไปทันวงวานอิสราเอล เมื่อตะ ว, วันอแสน้นเมื่อแต่และฝ่ายได้มองเห็นกันพวกพ้องของมูซาได้กล่าวว่าแท้จริงเราถูกตามทันแล้วขามูซาได้กล่าวว่าไม่หรอก แท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงอยู่กับฉันพระองค์งทรงชี้ทางนำให้แก่ฉันดังนั้นเราได้องค์การแก่มูซาว่าจงฟาดทะเลด้วยไม้เท้าของเจ้าแล้วมันก็ได้แยกออก แต่และข้างมีสภาพเหมือนภูเขาใหญ่และเราได้พวกอื่นเข้ามาใกล้ณที่นั้นและเราได้ให้มูสาและผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาทั้งหมดรอดพ้นไปแล้วเราได้พวกอื่นจมน้ำตาย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 ูสส่งเเมมตามอและจงอ่านเรื่องราวของอิบราฮีมให้พวกเขาฟังขณะที่เขากล่าวแกดบิดาของเขาและกลุ่มชนของเขาว่าพวกเจ้าเคารพพักดีอะไรกันพูกเขากล่าวว่า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 พวกเขากล่าวว่าแต่เราได้พบบรรพบุรุษของเราปฏิบัติกันมาเช่นนั้ น, มม น, เ, นเขากล่าวว่าพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือสิ่งที่พวกเจ้าเคารพพักดีอยู่ทั้งตัวของพวกเจ้าเองและบรรพบุรุษของพวกเจ้าแต่ก่อนการนั้น ฟะอินน่าหุมอ่จูลลีอิลล่ารับบัลอาลมีนถ้าจริงพวกเขาคือสตรูของฉันนอกจากพระเจ้าแห่งสาปโลกอัลลดีขลักนีฟะหัวยะดีนซึ่งพร่งสรงสร้างฉันแล้วพร่งส่งชี้ทางนำให้แก่ฉันวัลลดีหัวยุตอริมมีวะยสกีน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 และผู้ที่ฉันหวังว่าจะทรงอภัยความผิดให้แก่ฉันในวันแห่งการตอบแทนรับบบิิิิฮฮมมีีีุนนวอลก ال โอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงประทานความรู้และทรงให้ฉันอยู่ร่วมกับคนดีทั้งหลายวัโอ้พระผู้อภิฟิลอาคิรัน และส่งให้ฉันได้รับการอัลึกอย่างดีในหมู่ชนรุ่นต่อๆไปและส่งทําให้ฉันอยู่ในหมู่ผู้รับมรดกแห่งสวนสวรรค์อันร่มรื่นและส่งประทานอาภัยให้แก่บิดาของฉันด้วยแท้จริงเขาอยู่ในหมู่ผู้หลงผิด ي ي ي และทรงใหญยฉันได้รับความอัปยตในวันที่พวกเขาถูกให้ฟืน้นคืนชีพวันที่ทรัพย์สมบัติและลูกหลานจะไม่เอเื้อประโยชน์อันใดได้เลยเ AH ว้นแต่ผู้ที่มาหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ และสวนสวรรค์จะถูกนำมาให้ใกล้แก่บรรดาผู้ยำเกรงและนรกจะถูกเผยให้เห็นแก่ผู้ทำชั่ ว, วมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าไหนเล่าที่เจ้าครอบักดีมินดูนิลลา อ, อื่นจากอัลลอฮ์พวกมันจะช่วยเหลือพวกเจ้าหรือจะช่วยตัวมันเองได้ไห ม, หหมลและวพวกมันจะถูกทิ้หมหัวลงในนรกทั้งพวกมันและพวกทำชั่ ว, วและใร่คนของอิบลิสทั้งหมดและห้คนของอิบลิสทั้งหมด พวกเขากล่าวขณะที่พวกเขาโต้เถียงกันอยู่ในนั้ น, ลล น, น, นลล ม, มบนขอสาบานต่อหรอกแท้จริงพวกเราอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งบบขณะที่เราทำให้พวกเจ้าเท่าเทีเทยมกับพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก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 แถ้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนแต่พวกเขาส่วนมากไม่เป็นผู้ศรัทธา ز ز และแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมอกลุล่มชนของหนู ได้ปฏิเสธบรรดารอ رسول um um ขณาที่พี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาถือนัวได้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าไม่ยำเกรงบ้างหรือแท้ um وا وأ จริงฉันคือศาสนาูตผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอ์และเชื่อฟังฉันเถอะ และฉันไม่ได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกเจ้าเลยข่าตอบแทนของฉันไม่ได้มาจากผู้ใดนอกจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลละโลกเท่านั้นดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอเถอ ละจงงเชื่อฟัันพวกเขากล่าวว่าจะให้พวกเราศรัทธาต่อท่านกระนั้นหรือพวกตามต้อยเท่านั้นที่เชื่อฟังท่านเขาน้วกล่าวว่าฉันไม่มีความรู้อะไดเลยในสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติกันอินลิวาวุ่าฉม่มีลาอะลยในสิทีวักัน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 พวกเขากล่าวว่าโอ้นัวหากท่านไม่หยุดยังแน่นอนท่านจะอยู่ในหมู่ผู้ถูกค ว, ว้างด้วยก้อนหินข้าวหนัวกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงกลุ่มชนของฉันได้ปฏิเสธฉัน ฟ่าสตบพ بين ์ بيني وبينهم ฟต์พ่วันจจินีพพนว่ามั่งย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ยัย์ย์ย์ย์ย์ย์ยุย์ย่ท์ททย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ท์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย้ย์ด์ย์ย์ย์ยอย์ย์ย์ย์ย์ย์นมย์ย์ยิย์ย์ย์ย์ัชย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ แล้วผู้อยู่ร่วมกับเขาให้อยู่ในเรือที่เต็มเปียกแล้วเราอัลลอฮ์ได้พวกที่เหลืออยู่จมน้ำตายแพ้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนแต่พวกเขาส่วนมาก ไม่เป็นผู้สภ า, บบารรท่านพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเมตตาเสมอกดด ล, ลุ่มชนของอาดได้ปฏิเสธบรรดาศาสนาทูาตขณะที่พี่น้องของเขาคนหนึ่งคือฮูดได้กล่าวแก่พวกเขาว่า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 ขณะที่พี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือซอเลได้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าไม่ยำเกรงบ้างหรืออินนีล็งุม رسول อมีนแท้จริงฉันถือาศาสนาพูดผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกเจ้าฟัจากจัลลอฮ์วะอัตยุนดันั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อฟังฉันถือ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 พวกเจ้าจะถูกปล่อยให้อยู่อย่างปลอดภัยณที่นี้หรือในสวนอหลากหลายและลำธารหลายแห่งและไร่นาและต้นอินทผลัมซึ่งกิ่งก้านของมันสุกงอมและพวกเจ้าสกัดภูเขาเป็นที่อยู่อาศัยด้วยความสำนา ดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อฟังเถิดวลาจแต่งองยาเชื่อความคำสั่งใช้ของพวกฝ่าฝุพวกที่ทำความเสื่อมเสียในแผ่นดินและไม่เป็นพวกพัฒนาาอูอินนัมาอันตะมินัลมุสฮรีม พวกเขากล่าวว่าแท้จริงท่านเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ถูกอาคมท่านไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นสามัญชนเช่นเราดังนั้นจงนำมาสักสัญญาณ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 มิฉนั้นการลงโทษในวันนั้นยิ่งใหญ่จะประสบแก่พวกเจ้าและพวกเขาได้ฆ่ามันพวกเขาจึงอยู่ในสภาพผู้เศร้าโศกเสียใจฉนั้นการลงโทษจึงได้ประสบแก่พวกเขาแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอน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 َمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِنْ أَجْرِيَ رَبِّ إِنْ إِلَّا และฉันไม่ได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกเจ้าค่าตอบแทนของฉันไม่ได้มาจากผู้ใดนอกจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลละโลกเท่านั้นแล้วจะรู้นับดูร้านใน ن َื่อَนี้แَะจะ م ู้ว่าใครสร้างใَ้คุณรัอง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 แล้วเราได้ทำลายพวกคนอื่นและเราได้หาฝนตกลงมาบนพวกเขาดังนั้นฝนของบรรดาผู้ตักเตือนมันช่างชั่วร้ายเสียินีกระไาาร แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนแต่พวกเขาส่วนมากไม่เป็นผู้ศรัทธาแต่แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมอชาวป่าทึบได้ปฏิเสธบรรดาศาสนาทูต ขณะที่ชูยิบได้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าไม่ยำเกรงบ้างหรืออินนี้เลขุมรสูลอัลเลาะแท้จริงฉันคือศาสนาทูตผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกเจ้าแต่นั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอลัลลอฮ์และเชื่อฟังฉันเถิด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 พระผู้อภิบาลของฉันทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทับพวกเขาได้ปฏิเสธเขาดังนั้นการลงโทษแห่งวันเมฆครอบคลุมได้ประสบแก่พวกเขาแท้จริงมันเป็นการลงโทษแห่งวันที่ยิ่งใหญ่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 และแท้จริงมันคือคำพิอัลกุรอานเป็นการประทานลงมาจากพระผู้อภิบาลแห่งสาคลลโลกอรุษผู้ซื่อสัตว์ได้นำมันลงมายังหัวใจของพวกเจ้าเพื่อเจ้าจะได้เป็นผู้ตักเตือน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 ให้แก่พวกเขาเลยว่นาอและนาิก็อย่างชิอินาถ้าเราไม่ได้ทําลายชาวตําบลใดเว้นแต่ได้มีผู้จักเตือนแก่มันแล้วดิกราว่านาคุณนาบอริมี เพื่อเป็นข้อตักเตือนและเราไม่ได้เป็นผู้อาธรรพ์และพวกไซตันก็ไม่ได้นามันคำพิรุกุราลงมาและไม่เป็นการเหมาะสมแก่พวกมันและพวกมันก็ไม่สามารถด้วยถ้าจริงพวกมันเป็นผู้ถูกขิดกันอย่างแน่นอนจากการฟัง าาดังนั้นเจ้าอย่าได้วิ่งวอนพระเจ้าอื่นใดเคียงคู่กับอัลลอฮ์มิฉะนั้นเจ้าจะเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ถูกทำโทษจงตัเกเตือนวงสาขานายาของเจ้าที่ใกล้ชิด แ ล, และจงลดปีของเจ้าคือจงอ่อนโยนแก่บรรดาผู้ศัทธาที่ปฏิบัติตามเจ้าหากพวกเขาฝ่าฝืนเจ้าก็จงกล่าวถึงว่า แท้จริงฉันขอปลี่ตัวออกจากสิ่งที่พวกเจ้าปฏิบัติกันอยู่และจงมอบหมายต่อพระผู้ทรงเดชาลุภาผู้ทรงเมตตาเสมอผู้ทรงเห็นเจ้าขณะที่เจ้ายืนอยู่ยและการเพื่อนไหวของเจ้าในหมู่ผู้ชาบ แท้จริงโปรงคือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้เสมื อ, อฉันจะบอกแก่พวกเจ้าไหมว่าพวกชัยตอนลงมาที่บุดรีพวกมันลงมาที่ทุกคนที่เป็นผู้โกหก และผู้ที่ทำบาปมากพวกมันจะเนี่ยหูฟังและพวกมันส่วนมากเป็นผู้โกงและพวกเป็นนักกวีนั้นเป็นพวกหลงผิดที่ปฏิบัติตามพวกเขาอละพวกที่รว่าพวกเขาอยู่ในทุกที่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 อนอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและปฏิบัติความดีทั้งหลายและรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากและตอบโต้ป้อง ก, กันหลังจากที่พวกเขาคือพวกมุสลิมถูกข่มเหงและบรรดาผู้ทำจะได้รู้ว่าทางกลับอันใดที่พวกเขาจะกลับคืนสู่